ปัญญามก็ไม่เกิดต้องเห็นอยู่ บ, บ่อยเกิดขึ้น บ, บ่อยเกิดขึ้น บ, บ่อยจกนกระทั่งรู้แล้วก็ระลึกได้ระลึกไดในอารมณ์เหล่านั้นระลึกได้ในอารมณ์เหล่านั้นระลึกไ ด, ใ น, นนลลกไดในความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอ๋อมันมีสภาพว่ามีลักษณะอาการอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็จะได้ไม่ไม่หลงเกิดขึ้นก็ระลึกไดออนี่โกรธออนี่เกลียด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 เมื่อระลึกได้เช่นนี้มันก็มาคลองใจไม่ได้นะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เข้าเข้ามาคลองใจไม่ได้ถ้าความสงบก็จะเกิดขึ้นเพราะมีความระลึกหรือความรู้อย่างนี้อยู่บ่อยๆการเจริญสตินี่บางทีเราก็เปรียบกับการเติมน้ำนะเติมน้ำในในโอง่งหรือว่าในหม้อดินน้ำจะเต็มได้เนี่ย ต้องประกอบไปด้วยเหตุปัจจัย2 อ, อย่างก็คือว่า1เติมน้ําอยู่เสมอเติมน้ําเรื่อยๆ2หม้อมันต้องไม่รั่วหรือไม่ปล่อยให้น้ําซึมออกไปเลยเป็นระยะระยะาการที่เรามาเจริญสติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือเก็บอารมณ์เนี่ยก็คือเป็นการพยายามที่จะเติมน้ําเอาไว้เติมน้ําเรื่อยๆเติมน้ําเรื่อยๆ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 หาเรื่องคิดการปฏิบัติถึงต้องมี2แบบนะปฏแบบิบัตินแบบในรูปแบบกับการปฏิบัตินอกรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบก็เปรียบเหมือนการเติมน้าเติมเติมเข้าไปส่วนการปฏิบัตินอกรูปแบบมันจะทำหน้าที่เหมือนกับว่าคอยเก็บคอยเก็บน้ำอาไว้คือคอยเก็บสติเอาไว้ไม่ให้มันตกหล่นเลี่ยไล่าการปฏิบัติต้องทำสองอย่างอย่าไปเน้นแต่เฉพาะว่าต้องปฏิบัติใน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 ่าไปกลัวการลงไปทำงานหรือว่าอย่าไปรังเกียจและขณะเดียวกันก็ให้ถือว่าในการที่เราออกจากลางจงกรมออกจากการปฏิบัติมันก็ยังต้องรักษาใจให้มีสติอยู่อิเลียบทย่อยๆต่างๆอย่าไปถือว่าไม่สำคัญอาบน้ำถูฟันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทำให้ดีนี่มีอา น, นิสงส์มาก มีคนคำนวณว่าคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยประมาณทั้งชีวิตประมาณ7ปีแต่ยังน้อยกว่าเวลาดูโทรทัศน์อันนี้พูดถึงคนสมัยคนในเมืองนะใช้เวลาดูโทรทัศน์ทั้งชีวิตสิปีแต่ว่าใช้เวลาอยู่ในห้องน้ํา7ปีแต่ถ้าอยู่ในห้องน้ำยังมีสตินี่นะโอ้มันมหาศาลเลยนะมันเทียบไม่ได้กับการเก็บอารมณ์7วันเก็บอารมณ์เวันแต่อยู่ในห้องน้ํา7ปีนี่ มันต่างกันไกลถ้าอยู่ในห้องน้ําเป็นมีสติอยู่ในห้องน้ําอานิสงส์นี่มันมากกว่าเก็บปรลม7วันหรือ1เดือนด้วยซ้ำงั้นอย่าไปดูแคลนการใช้ชีวิตประจําวันของเราถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีสตนะิเพียงแค่เข้าห้องน้ําอาบน้ําถูฟันนะก็เยอะแล้วแล้วเรากินข้าวกินให้เวลานานเหมือนกันนะทั้งชีวิตกินกินข้าวใช้เวลาวมาเจ็ดแปปีเหมือนกันวันนึงใช้เวลานาน นะบางทีเกือบสองชั่วโมงกับเรื่องการกินข้าวเนี่ยและถ้าตัดเวลาดูโทรทัศน์ไปได้นี่โอ้มีเวลาเยอะเลย12ปีทำอะไรได้ยังเติมเยอะแยะหรือถ้าดูโทรทัศน์ก็ดูอย่างมีสติมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องชีพประจําวันเป็นเรื่องสําคัญอย่าเอาแต่เติมน้ําอย่างเดียวนะต้องรักษาน้ําที่เราเติมเอาไว้ไม่ให้ ไม่ให้มันล้วนไหลหรือว่าล้ ว, ลวน้อยที่สุดซึมน้อยที่สุดและถ้าเราทําให้ดีๆในชีวิตประจําวันนี่มันไม่ใช่เป็นการแค่รักษาสติไม่ให้ล้วไหลอย่างเดียวแต่เป็นการเพิ่มปูนสติเข้าไปด้วยมันเหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ถ้าเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้แต่ว่าในนอกโรงเรียนเราไม่เขียนไม่อ่านให้ความรู้ที่เรามีก็ค่อยหายไปหายไปเด็กจํานวนไม่น้อย จบป .6 แล้วไม่เรียนต่อไอความรู้ที่เรียนมาอ่านออกเขียนได้ก็ซึมหายไปซึมหายไ ป, ยไปแต่ถ้าเราอ่านอยู่บ่อยๆเขียนอยู่บ่อยๆแม้จะออกจากโรงเรียนแล้วนอกจากความรู้จะไม่ซึมหายแล้วความรู้ก็จะแข็งมากขึ้นภาษาก็จะแข็งมากขึ้นการเจริญสติก็เหมือนกันชีวิตประจําวันของเรามันถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจําวันด้วยในอิเลียบทต่างๆ